จะใช้มือถือมาช่วยลดความฟุ้งซ่านได้ไหมคนส่วนใหญ่มองว่ายุคไอทีเราโชคดีไม่ต้องนั่งรอรถรอคนรอเวลาแบบฟุ้งซ่านหรือเมื่อรลอยเปล่าแต่ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ได้รู้สิ่งที่อยากรู้ได้เห็นสิ่งที่อยากเห็นได้คุยกับคนที่อยากคุยทั้งหมด ก็ขอแค่มีสมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียวพอสำหรับบางคนมือถืออาจช่วยจัดระบบความคิดให้เป็นระเบียบขึ้นได้จริงๆไม่ต้องฟุ้งซ่านเปล่าได้งานได้การได้น้ำได้เนื้อคืบหน้าไปบนเส้นทางสู่เป้าหมายยิ่งขึ้นเรื่อยๆแต่สำหรับหลายๆคนมือถือกลายเป็นอุปกรณ์ซ้ำเติมระบบความคิด ที่กระจุยกระจายอยู่แล้วให้ยิ่งกระเจิดกระเจิงหนักขึ้นกว่าเก่าสังเกตง่ายๆจากสัญญาณบอกต่างๆเหล่านี้เล่นมือถือแล้วใจคิดวนเหมือนคนเดินย่ำอยู่กับที่บางคนเข้าเว็บโน้นออกเว็บนี้เดี๋ยวเดี๋ยก็กระโดดกลับไปเข้าเว็บเดิมใหม่โดยไม่ตั้งใจโดยไม่รู้ตัวไม่รู้จะเข้าซ้ำไปทาไม เหมือนผีจับมือกดหลายครั้งตั้งใจอย่างเอาจริงกลับทำอีกอย่างหลงลืมว่าจะเอาอะไรจากตรงไหนแน่นึกไม่ออกก็ขาดใจอยู่อย่างนั้นเล่นมือถือแล้วใจจมจอมเหมือนคนหลงเพลินอยู่ในความฝันจนไม่อยากถอนตาถอนใจออกมาเผชิญกับโลกความจริงตรงหน้า คุยอีอะกับคนนี้สั้นๆอันมานินทาชาวบ้านกับคนโน้นยาวๆดูรูปใหม่ที่คนรักเก่าเอามาโพสตให้เจ็บจิตจีแล้วส่องรูปหน้าใหม่ในดวงใจให้ฝันวิวววจับจดเอาแน่เอานอนไม่ได้เลยว่าอยากอยู่กับอารมณ์ไหนดีบอกไม่ถูกด้วยซ้ำว่ากําลังเสพติดอยู่กับอารมณ์ไหนแน่ เล่นมือถือแล้วใจปักยึดเหมือนคนพร้อมจะทึกทักเชื่อมั่นในความเห็นของตนเองหรือเชื่อ ต, ตามๆกันทันทีโดยไม่ต้องมีหลักฐานเอาแบบโดนใจเข้าว่าเอาแบบที่กลุ่มความเชื่อเดียวกันหนุนหลังเอาแบบได้หลงตัวดิบๆว่าข้าแน่กลุ่มข้าถูกพอฝ่ายตรงข้ามแฉหลักฐานว่าไม่ใช่ทีก็เฮิที ห่างไกลาจากเหตุผลไม่ต้องการบทพิสูจน์ถูกดูดไปเล่นกับอารมณ์หนักขึ้นเรื่อยๆเล่นมือถือแล้วใจหิวไม่เลิกเมื่อคนกินเท่าไหรไม่อิ่มสักทีสมองต้องการสิ่งเร้าอยู่ตลอดเวลาชอบข้อความชอบภาพชอบคลิปแบบที่โดนๆกระแทกใจได้จังๆ กลายเป็นพวกเสพติดได้แต่ของสั้นๆแรงๆผ่านๆให้ละเอียดกับอะไรละมุนละไมไม่ไหวแล้วเมื่อสํารวจตนเองแล้วพบว่าใจคิดวนใจจมจอมใจปักยึดและใจยังหิวไม่เลิกเคยชินกับการปล่อยใจเลื่อนลอยเดี๋ยวกระโดดไปทางโน้นทีเดี๋ยวกระโดดกลับมาทางนี้ทีอย่างนี้ก็จาเป็นต้องบอกตัวเอง ยอมรับกับตัวเองว่ามือถือไม่ได้มาช่วยลดเวลาฟุ้งซ่านให้น้อยลงตรงข้ามกลับมาเพิ่มเวลาฟุ้งซ่านให้เข้มข้นขึ้นในแบบจับต้องได้ต่างหากนามยอกจะเอานามบ่งกันอย่างไรดีเอาง่ายๆหยิบมือถือขึ้นมาแต่ละครั้งให้ตั้งสติสังเกตว่าใจล่องลอย เหมือนหลุดเข้าไปอยู่อีกโลกเมื่อใดสําหรับคนส่วนใหญ่มักเริ่มกันตั้งแต่เมื่อตาเล็งหน้าจอมือถือกันเลยทีเดียวเมื่อรู้ตัวก็ให้ถามตัวเองว่าจะเข้าไปที่นั่นเพราะประสงค์สิ่งใดจะออกจากที่นี่เพื่อกระโดดไปที่ไหนตอนนี้ใจอยากจะเอาอะไรกันแน่เข้าไปแล้วได้สิ่งที่ต้องการหรือ ย, อยัง เลงกานที่จิตเมื่อตอบตัวเองถูกว่าได้แล้วให้วางมือถือซะเพื่อเป็นการตัดรอบความปุ้งซ่านให้กลายเป็นวิธีคิดแบบเอาเป้าหมายถ้าอย่างอ้อยอิงอยากจับมือถือต่อก็ให้บอกตัวเองว่ารออีกเดียวค่อยเล่นใหม่ตอนนี้หมดรอบแล้วฉันจะสร้างความเคยชินใหม่แล้ว หลังจากฝึกทำแบบนี้บ่อยๆมือถือจะกลายเป็นเครื่องช่วยให้รู้จักตั้งเป้าหมายคนที่มีเป้าหมายนั้นจิตจะเดินเป็นเส้นตรงไม่วกวนอยู่กับวงกลมไม่รู้จบคุณจะรู้สึกว่าตัวเองฟุ้งซ่านเป็นวงกลมน้อยลงอย่างน่าอัศจรรย์ใจจิตเป็นอย่างไรชีวิตเป็นอย่างนั้น อยากให้ชีวิตคุณเดินเป็นเส้นตรงหรือวกวนอยู่กับวงกลมเดิมๆให้เลือกกันตั้งแต่ที่จิตขณะเล่นมือถือกันอยู่นี่หละ